700 แจ้ง 191 สํานัก สวรรค์หรือเมือง 4 แควเป็นเมืองเก่าแก่ ด้วยเหตุที่เมืองนครสวรรค์นี้เป็นจุดรวมของแม่น้ํา 4 สายคือ ซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญ 370 กิโลเมตร สายน้ำนักวิชาการผู้รู้ทางประวัติศาสตร์จึงสรุปได้ว่าเป็นในอดีตหล่อเลี้ยง ความสําคัญของเมืองนครสวรรค์ตามที่กล่าวมานี้ ที่ชาวบ้านลุ่แม่น้ำเจ้าเทพเจ้าเขาช่องแคหลวงพ่อ อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องแคอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ผู้ มีท่านอาจจะตั้งอธิษฐานจิตไว้ก่อนไม่ให้เน่าเปื่อยบางกลุ่มพรมนามสกุลว่าโกสรังบิดาชื่อหมีท่านอาจจะเดือนห้า ปีมามะตรงกับวันที่ 20 เมษายนพุทธศักราช 2427ณบ้านกรุงทนูตำบลบ้าน 4 คนคือ 1 นาง 4 นางจ๋าท่านเป็นบุตรคนที่ ท่านได้เข้าประสมสมโภชที่ 15 มีนาคมพุทธศักราช 2447 โดยมีหลวงพ่อ ได้เล่าให้ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดฟังว่าหลัง สุภะกรรมฐานสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อดำซึ่ง อาจารย์พ่วงซึ่งเป็นอาจารย์คลาวาดปีจนกระทั่ง หลวงพ่อพรหมท่านได้อรรถิของอาจารย์วอนกลับมาเก็บไว้ที่วัดช่องแคหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้เช่นหลวงพ่อเดิมวัด ซึ่งเป็นสหมิกกธรรมที่ร่วมเดินทุรดงด้วยกัน ตามแบบฉบับของผู้ที่มีเลือด ท่านได้มันเพียรร่ำเรียนพระธรรมวินัยได้อย่างแตก ร่วมการทุดงไปด้วยการทุรดงไปด้วยหลวงพ่อพรหมทุรดงด้าน การเดินทางในครั้งนั้นเดินทางในครั้งและเต็มไปด้วยภัยของสัตว์ร้ายนานาชนิด <this> การเดินมีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาของหลวงพ่อพรหมนั้นล้อมไว้ป้องกัน หลวงพ่อได้เล่าให้ลูกศิษย์ใกล้ชิด จึงได้เดินทางกลับประเทศไทยได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยการต่างๆผ่านมาทางด่านแม่ละเมอจังหวัดตาก ท่านได้เข้าหลบฝนในถ้ําเล็กๆซึ่งอยู่บนเขาช่องแคเมื่อพายุ<ส> ที่จะปักหลักบำเพ็ญธรรมเมื่อ ชะตาฟ้ากำหนดก็ว่าได้เป็นธรรมดาอยู่เอง หาความสงบวิเวกต่อไปจึงเมื่อลุถึงปัจจุบันมองไปทาง บนภูเขาเตเตียร่มรื่นด้วยมวลพฤกษาชาติมีถ้ำเล็ก ลงณช่องแคแห่งจึงได้เริ่มการสร้างวัดขึ้นสร้าง ต่อมาได้มีพระภิกษุอีก 2 รูปที่ทุโดง ก็เริ่มทยอยเข้ามาสู่จากป่า ระบือลือลั่นไปทั่วเมือง เสนาสนะพระอุโบสถก็ได้รับการก่อสร้างขึ้นได้รับการก่อสร้างขึ้น ด้วยแรงศรัทธาของมหาชนชาวพุทธวัดเขาช่องแค่ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น ต้องปีนเขาขึ้นลงลงซึ่งหลวง ไม่ค้าวของสิ่งใดไว้เลยท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติมีศีลวัตรที่งดงามเป็นพระฝ่ายอรัญญวาสีเป็นครองตนไม่ยึดเมื่อมีผู้สิ่งใดมาถวายหลวงพ่อท่านก็ให้นําเก็บไว้ผู้เดือด เมื่อเห็นว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้นเห็นว่าสิ่งที่ท่านมี เหรียญโล่หลวงพ่อแจกหมดเล็กสมเด็จรายางหลวงพ่อ คล้ายกับขันข้าวใส่บาทพระหมุนรอบตัวเองได้ขันธ์ข้าวใส่บาทพระหมุนรอบตัวเองทัพพีและโลหะ แล้วจึงปั้นหุ่นโดยใช้พิภุญหนัก 1, แล 1 บาทตอ 8 บาทแต่เมื่อเททองลงในหุ่นปรากฏ มา 2516 พันตํารวจโทอภัยวรณิธิ์ประธานกรรมการพัฒนา 5 พุทธศักราช 2516 ซึ่งต่อมาวัตถุมงคลเนื้อทองนี้เป็นที่นิยมในวงการ ต่างก็ฝึกฝนและการแพทย์แผนโบราณคว้าแสวงหาๆพากัน พร้อมเสกคาถากำกับ การรักษาโรคของหลวงพ่อนั้นได้แพร่กระจายไปในกลุ่มชนของชาวบ้านอำเภอตาคลีและใกล้เคียงใครที่เจ็บต่าง ไม่จำกัดทั่วทุกสาลทิศก็หลั่งไหลมาให้หลวงพ่อรักษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวพุทธทั้งปวง ดำเนินการสร้างสรรค์อาณาจักรธรรมขึ้นที่ช่องแคอันเป็น และนิมนต์ท่านเป็นประธานสงฆ์เพื่อ หลวงพ่อพรหมท่านมีจึงเป็นที่พึ่งของชาบ้านตลอดมาทางไสยเวทและรัชการที่หกเข้มขลังอเนก หลวงพ่อพรหมท่านชอบโขนละครมาก และเป็นเสมือนจุดสําคัญที่ช่างความรักความ มีช่ายเพื่อความสนุกบันเทียงอย่างเดียวลุกษิดหลงพ่อที่เก่งกากก็ได้ยึดเอาไปเป็นประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตและครอบกลัวได้อีกด้วยวัดช่องแคในอดีต pinpoint มิใช่เป็นโรงหัดโขนแต่อย่างเดียวสมัยหลงพ่อพรมมีชีวิตอยู่นั้นนั้น ทั้งทางกายทางจิตคือไม่ว่าจะวิกรจริดหรือเป็นไข้ท่าน คนไปไหนมาไหนๆสมัยโบราณไปไหนมาไหนชอบมี เคยมีคนนําเอาผ้าเข้ามาที่หลวงพ่อแจก แมกจนเป็นเหตุให้โจทย์ขานทั้งลูกระเบิดดังนี้เองเป็นเหตุให้ และมีสภาพกลายเป็นสินค้าที่มีราคาแผงไปผู้ พวกที่ไม่มีผ้าเข้าม้าถึงกับแตก ฝ่ายเจ้าสับถวยปืนถวยมีดได้ก็เข้าไล่ และหนักเข้าเมื่อรู้เข้าถึงหูหลวงพ่ออย่างไม่น่าเชื่อผลที่สุดเข้าเมื่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้หมดไม่เหลือหลอหลวง กล้าใครยักย้ายถ่ายเทนอกเรื่องออกมาใช้ในทางที่ผิดใคร ถ้าไปที่วัดจะได้เห็นสิ่งหนึ่งๆโรงแก้วบรรจุสังขารของหลวงพ่อจะมี เรื่องวาจาศีลของหลวงพ่อนั้นเป็นที่เกรง ก็จะนํามาพูดคุยกันด้วยความตื่นเต้นยิ่งๆฟังโดยสงบ พูดถึงหลวงพ่อในทางไม่ดีแล้ว ล่วงรู้ถึงหูหลวงผลสุดท้ายเมื่อ กินก็มีอาการเป็นโรคท้องมานวัดต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชาวบ้านมาทําบุญ ท่านถ้ามันจะบ้าไม่ใช่คนดีเสียแล้วพูดว่าถ้ามันจะบ้าไม่ๆดั่งคําที่หลวงพ่อ พร้อมทั้งมีความเกรงกลัวหลวงพ่อถาวโรได้ชื่อว่าเป็น ไม่ควรจะมองข้ามท่านมีแต่ความองอาจพลนง ศึกษาสงกเป็นนิรันอย่างที่บุคคลใดอื่นๆสงบเป็นนิรันดร์อย่างที่บุคคลใด วันนั้น 30 มกราคมพุทธศักราช 2518 เวลา 15:33 น. น. เป็นวันที่หลวงพ่อพรหมได้อำลาไปจาก 91 ปี 71 พรรษาวาระสุด สร้างเพื่อให้ประชาชนได้สการะบูชากุศลอยู่บนหมดไรมอดและแมลงไม่ คล้ายกับหลวงพ่อ 30 ปีสิ่งเส้นผมขนตลอดกลับงอกยาวขึ้น 5-6 มิลลิเมตรซึ่งคณะ ด้วยบนเส้นผมขนและเล็บคือ 1 เส้นผมงอกยาว 5-6 มม. 2 เส้นขนคิ้วงอกยาว 5-6 มม. Mm. 3 เส้นขนตางอกยาว 1 ซม. 4 หนวด 5-6 มิลลิเมตร 5, mm. 5. เล็บมืองอกยาว 1 ซม. 6 เล็บ 4-5 มิลลิเมตรถึงแม้หลวงขนและเล็บเล็บ อย่างไม่ถูกที่ได้พบชาวบ้านชาวเมือง มือราบข้างตัว 2 ข้างเหยียดตรงราบขนานตัวปรากฏว่าบนศีรษะหลวงพ่อ ส่วนเล็บมือเล็บเท้านั้นยาวออกมาจากขอบเล็บด้าน เจ้ากว่าเล็บผู้หญิงบาง 30 มกราคม 2518 นั้นเพียงไม่ถึงสัปดาห์ไม่ ซึ่งเป็นวันโกนลูกศิษย์ลูกหาคนที่จะ เป็นที่ทุกคนปักใจเชื่อถือจึงสรุปได้ว่าของหลังชนิดหนึ่งที่ทุกคน ด้วยการสอบถามกรรมการวัดบานท่านที่ยัง 1 พระรูปเหมือน 2507 2 พระ ปั๊มพิมพ์หูกลาง 2508 3 พระรูปหล่อเนื้อเงินเสาห้ารูปหล่อ 2512 4 แผ่นปี 2512 5, 5. พระรูป พุทธศักราช 2512 6 พระรูปเหมือนปั๊มพิมพ์พุทธศักราช 2516 7 พระรูปเหมือนปั๊มพิมพ์พุทธศักราช 2516 8 พระ พิมพ์เข้าพุทธศักราช 2516 ศาลคดี เรื่องราวอัตชีวประวัติของพระคณาจารย์ในยุครัตนโกสินทร์นี้ยัง บาลีวัดช่องแทของหลวงความเจริญตลอดไปสวัสดี